ลำดับนั้นพวกเสนาก็จับอนุเกวตะนำไปแสดงแก่พระเจ้าพรมทัตริพระราชาทรงสอบสวนแล้วก็ทรงเชื่อพรามอนุเกวตตะจึงพระราชทานรางวัลแก่อนุเกวตะแล้วให้ปกครองเสนาฝ่ายอนุเกวตตะก็ยังเสนาให้ลงในสถานที่มีจระเข้ร้ายคนนิกายถูกเจระเข้ทั้งหลายขบกัดถูกกองรักษาที่อยู่บนหอรบ ยิงพุ่งเอาด้วยสรนหอกและโตมอนก็ถึงความพินาศใหญ่จำเดิมแต่นั้นนั้นก็ไม่อาจเข้าไปใกล้ด้วยความกลัวอันตรายเห็นปานนั้นลำดับนั้นอนุเกวตตะเข้าเฝ้าพระเจ้าจุลนีพรหมทัตทูลว่าข้าแต่ส ม, มุติเทพพวกคนรบเพื่อประโยชน์แก่พระองค์ไม่มีมีแต่พวกรับศีลบนทั้งนั้น ถ้าพระองค์ไม่เชื่อจงเรียกให้พวกเหล่านั้นมาจากท่อพระเนตรเห็นอักษรจารึกชื่อมโหสถในเครื่องอุปโภคมีผ้านุ่งที่นุ่งอยู่เป็นต้นพระเจ้ากรุงอุตรปญจาทะให้ทำอย่างนั้นก็ท่อพระเนตรเห็นอักษรในผ้าเป็นต้นแห่งพวกนั้นทั้งหมดก็เข้าพระไัยแน่ว่าพวกนี้รับศีลบนจึงตรัสถามอนุเกวตตะว่า บัดนี้เราควรจะทำอย่างไรท่านอาจารย์รันอนุเกเวตตะทูลตอบว่ากิจอื่นที่ควรทำไม่มีพระเจ้าค่าถ้าพระองค์ทรงรีรออยู่มโหสดบุตรคฤหบดีจักจับพระองค์ส่วนอาจารย์เกวตตะก็สารวลอยู่แต่แผลที่หน้าผากเท่านั้นถึงอาจารย์เกวตตะนั้นก็รับสินบนเหมือนกันเพราะแกรับมณีรัตนะแล้ว ยังพระองค์ผู้หนีไปสิ้นสามโยดให้ทรงเชื่อถือแล้วให้กลับแกนี้แหละยุยงให้กองทัพแตกข้าพระองค์ไม่สมัครจะอยู่แม้สักคืนเดียวควรจะหนีเสียในระหว่างเที่ยงคืนวันนี้ยกข้าพระองค์เสียบุคคลอื่นชื่อว่าวังดีไม่มีครั้นอนุกเกวตตะทูลชนีแล้วก็ตรัสสั่งว่าถ้าอย่างนั้นท่านอาจารย์จงผูกม้าที่นั่ง แล้วตเตรียมยานเพื่อเราอนุเกวตะรู้ความที่พระเจ้าจุลณีจะหนีโดยทรงวินิจฉัยแน่จึงทูลให้เบาพระหฤทัยว่าอย่ากลัวเลยพระเจ้าค่าแล้วออกไปข้างนอกสั่งพวกบุรุษที่มโหสถวางไว้ว่าวันนี้พระเจ้าอุตรปัญจาลจะหนีท่านทั้งหลายอย่าหลับเสียสั่งชนีแล้วผูกม้าที่นั่งตัวขนอง แล้วนำมันมาไว้ในระหว่างมัชชิมะยามแล้วกราบทูลว่าม้าพระที่นั่งเตรียมผูกไว้แล้วพระเจ้าข่าขอทรงทราบเวลาเสด็จพระราชาก็ทรงขึ้นม้าหนีไปไปายอนุเกวตตะก็ขึ้นมา้าทำเหมือนโดยเสด็จด้วยหน่อยหนึ่งก็กลับม้าพระที่นั่งที่ผูกมัน่นคงแม้พระราชาทรงรั้งให้หยุดก็พาพระราชาหนีไปอย่างเดียว ฝ่ายอนุเกวตตะเข้าในหมู่เสนาก็ร้องอึงขึ้นว่าพระราชาจุลนีพรหมทัตเสด็จหนีไปแล้วพวกบุรุษที่มโหสดวางไว้ก็ร้องบอกกันกับพวกของตนฝ่ายพระราชาร้อยเอ็ดได้สดับเสียงนั้นก็สำคัญว่ามโหสดเปิดประตูเมืองออกมาบัดนี้เขาจักไม่ไว้ชีวิตพวกเราก็กลัวสะดุ้งตกใจ ไม่เหลียวแลเครื่องอุปโภคบริโภคพากันหนีไปแต่ที่นั้นๆชนทั้งหลายก็ร้องเอ็ดกันขึ้นว่าแม้พระราชาร้อยเอ็ดก็เสด็จหนีไปแล้วกองรักษาที่อยู่บนประตูหอรบได้ยินเสียงนั้นก็โห o ร้องตบมือกันขึ้นขณะนั้นพระนครมิถิลาทั้งสิน้นทั้งภายในภายนอกก็บรรลือเสียงสนั่นวันไหวเป็นอันเดียวกัน เพียงดังแผ่นดินแยกออกเพียงดังท้องทะเลปั่นป่วนฉะนั้นพนนิกายส8ปดอักโขพินีกลัวแต่มรณะภัยด้วยเข้าใจว่าพระเจ้าจุลณีและพระราชาร้อยเอ็ดถูกมโหสถจับไว้ได้แล้วก็ทิ้งแม้ผ้าสาดกที่พันท้องของตนของตนนี้ไปสถานที่ตั้งกองทัพว่างเปล่าพระเจ้าจุลนีพรหมทัต พาพระราชาร้อยเอ็ดไปสู่นครของตนวันรุ่งขึ้นพล น, นิกายชาวกรุงมิทิลาเปิดประตูเมืองออกมาแต่เช้าเห็นสิ่งของกองอยู่เป็นอันมากจึงแจ้งแก่มโหสดว่าข้าแต่ท่านบัณฑิตพวกเราจะทำอย่างไรมโหสดกล่าววา่าทรัพย์ที่พวกข้าศึกทิ้งไว้ตกเป็นของพวกท่าน พวกท่านจงถวายสิ่งที่เป็นของพระราชาทั้งปวงแด่พระราชาของเราทั้งหลายจงนำสิ่งเป็นของเศรษฐีและเกวตตะมาให้แก่เราชาวเมืองจงถือเอาสิ่งที่เหลือจากนี้เมื่อชนทั้งหลายนำรัตนพันธ์มีค่ามากไปอยู่กินเวลาล่วงไปถึงกึ่งเดือนก็แต่ชนทั้งหลายนำของอันเหลือจากนั้นไปกินเวลาถึงสี่เดือน พระโพธิสัตว์ให้รางวัลเป็นอันมากแกรพรามอนุกเกวตตะได้ยินว่าจำเดิมแต่นั้นมาชาวกรุงมิถิลาก็บังเกิดความมั่งคัง่งมั่งมีเงินและทองรัตนมีค่ามากก็เกิดมีมากมายพระเจ้าจุลนีพรหมทัตรประทับอยู่ณเมืองอุตรปัญจาละกับพระราชาร้อยเอ็ดเหล่านั้นล่วงไปปีหนึ่ง อยู่มาวันหนึ่งพรามเกวตตะและดูหน้าด้วยกระจกเห็นแผลที่หน้าผากจึงคิดว่านี้มโหสถทำไว้มโหสถทำเราให้อายแกพระราชาทั้งหลายมีประมาณเท่านี้คิดชนี้ก็เกิดโกรธขึ้นคิดว่าเมื่อไรเนาเราจะเป็นผู้สามารถเห็นหลังแห่งมโหสถก็นึกได้ว่าอุบายมีอยู่ลงสันนิฐานแน่ว่า พระราชธิดาของพระราชาแห่งเรามีพระนามว่าปัญจาลจันทีมีพระรูปโฉมอุดมเปรียบด้วยเทพอักษรเราจะให้พระนางนั้นแก่พระเจ้าวิเทหราชโลมเธอด้วยกามแล้วนําเธอผู้เป็นดังปลากลืนเบ็ดกับมโหสถมาฆ่าเสียทั้งสองคนแล้วดื่มชัยบาลตรหนักแน่ชนีแล้วจึงเข้าเฝ้ากราบทูลแด่พระเจ้าจุลนีว่า ข้าแต่สมุติเทพยังมีแผนการอีกอย่างหนึ่งพระเจ้าจุลณีได้ทรงสดับคำของเกวัตตะจึงตรัสว่าแน่ αι, ท่านอาจารย์พวกเราไม่เป็นเจ้าของแม้แห่งผ้าสาดกที่พันท้องเพราะอาศัยแผนการของท่านปัตนี้ท่านจะทาอะไรอีกนิ่งเสียทีเถิดเกวัตตะจึงถูนว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้า อุบายอื่นเช่นอุบายนี้ไม่มีพระราชาตรัสว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงกล่าวให้ฟังรามเกวัตตะทูลว่าถ้าจะทูลควรอยู่แต่สองพระเจ้าข้าพระราชาทรงเห็นชอบด้วยพร้อมจึงเชิญเสด็จพระราชาขึ้นบนปราสาทให้เสด็จเข้าไปในห้องบรรทมแล้วทูลว่าเราทั้งหลายจากเล้าโลมพระเจ้าวิเทหราชด้วยกิเลส แล้วเอาตัวมาฆ่าเสียพร้อมกับมโหสดพระราชาตรัสว่าอุบายนี้งามแต่เราจักเล้าลมนำเขามาอย่างไรเกวัตตะทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าพระราชธิดาของพระองค์ผู้มีพระนามว่าปัญจาลจันทีทรงรูปโฉมงดงามพวกเราจักให้จินตะกวีประพันธ์รูปสมบัติ อันทรงศิริและความงามแห่งอิริยาบทสีของพระราชธิดานั้นด้วยประพันธ์เป็นเพลงขับแล้วให้ผู้ชำนาญขับร้องกาบกลอนเหล่านั้นในกรุงมิถิลาให้มีใจความว่าเมื่อจอนนรินปินวิเทหรัฐไม่ได้นารีรัฐเห็นปานี้ราชสมบัติก็ไม่มีประโยชน์อะไรดังนี้รู้ว่าพระเจ้าวิเทหราช ปฏิพัตเกี่ยวเนื่องด้วยการฟังนั่นและข้าพระองค์จักไปในกรุงมิทิลากำหนดวันมารับพระราชธิดาอภิเศกเมื่อข้าพระองค์กำหนดวันกลับมาแล้วพระเจ้าวิเทหราชก็จักเป็นเหมือนปลากลืนเบ็ดพามโหสดมาภายหลังเราทั้งหลายก็จักฆ่าพระเจ้าวิเทหราชกับมโหสดเสียพระเจ้าจุลนีได้สดับคําของเกวัตตะแล้วทรงยินดี รับรองว่าอุบายของท่านงามเราทั้งหลายจากทำอย่างนั้นก็นางนกสาลิกาที่เลี้ยงไว้ในที่บันทมแห่งพระเจ้าจุลนีพรหมทัตได้ฟังแผนการนั้นแล้วได้ทำให้ประจักษ์พระเจ้าจุลนีให้เรียกพวกจินตะกวีเก่ามาพระราชทานทรัพย์เป็นอันมากแล้วแสดงพระราชธิดาแก่พวกนั้นตรัสว่า เจ้าทั้งหลายจงประพันธ์กาบกรอนอาศัยรูปสมบัติของธิดานี้พวกจินตกวีเหล่านั้นก็ประพันธ์เพลงขับอย่างจับใจยิ่งแล้วขับถวายพระราชาพระราชาก็พระราชทานทรัพย์เป็นอันมากแก่พวกนั้นอีกนางฟ้อนรำทั้งหลายเรียนกราบกรอนแต่สำนักจินตกวีทั้งหลายแล้วไปขับร้องในมนทนมโหรสพ เพลงขับเหล่านั้นได้แพร่ไปด้วยประการชนิีเมื่อเพลงขับเหล่านั้นได้แพร่ไปในหมู่ประชาชนพระเจ้าจุลนีตรัสให้เรียกพวกขับร้องทั้งหลายมาตรัสสั่งว่าเจ้าทั้งหลายจงจับนกใหญ่ขึ้นสู่ต้นไม้ในราตรีนั่งขับร้องอยู่บนต้นไม้นั้นครั้นเวลาใกล้รุ่งจงผูกกังสดานที่คอนกเหล่านั้นปล่อยขึ้นไปแล้วจึงลงจากต้นไม้ พระเจ้าจุลณีให้คนทำดังนั้นเพื่อเหตุให้เป็นของปรากฏว่าแม้เทวดาทั้งหลายก็ขับร้องพันนาพระรูปโฉมแห่งพระราชธิดาของพระเจ้ากรุงปัญจาละพระเจ้าจุลนีตรัสเรียกเหล่าจินตะกวีนั้นมาอีกตรัสว่าบัดนี้เจ้าทั้งหลายจงพันนาสรรเสริญว่า นางกุมาริกาเห็นปานี้หาสมควรแก่พระราชาอื่นในพื้นชมพูทวีปไม่นางสมควรแก่พระเจ้าวิเทหราชกรุงมิถิลาและอิสริยยศของพระเจ้าวิเทหราชก็ควรแก่พระธิดานี้ผู้เดียวเท่านั้นดังนี้ผูกให้เป็นเพลงขับจินตกวีเหล่านั้นทำตามรับสั่งแล้วขับถวายให้ทรงสดับ พระเจ้าจุลณีก็พระราชทานทรัพย์แก่พวกนั้นแล้วตรัสสั่งว่าเจ้าทั้งหลายจงไปสู่กรุงมิถิลาแล้วขับโดยอุบายนี้แหละในกรุงมิถิลานั่นอีกจินตกวีเหล่านั้นเมื่อขับเพลงขับเหล่านั้นไปถึงกรุงมิถิลาโดยลำดับก็ขับณรงมหรสพมหาชนได้ฟังเพลงขับเหล่านั้นก็ยังเสียงโ吼ร้องเกลียวกราวให้เป็นไป ได้ให้ทรัพเป็นอันมากแก่พวกนั้นพวกนั้นขับบนต้นไม้ในเวลาราตรีครั้นใกล้รุ่งก็ผูกกังสดานที่คอนกทั้งหลายแล้วให้ลงจากต้นไม้เสียงโกลาหลเป็นอันเดียวกันว่าแม้เทวดาทั้งหลายก็ขับร้องพันน า, นาพระรูปโฉมของพระราชธิดาพระเจ้ากรุงปัญจาละดังนี้ได้มีในพระนครทั้งสิ้น เพราะได้ยินเสียงกังสดารในอากาศพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับเสียงนั้นจึงให้เรียกพวกนักประพันกาบกลอนมาให้เล่นมหโรสพในพระราชนิเวศแล้วทรงดำริว่าได้ยินว่าพระเจ้าจุลนีมีพระราชประสงค์จะประทานพระราชธิดาผู้ทรงรูปโฉมอันอุดมเห็นปานนี้แก่เราทรงดำริชนี้ก็ทรงยินดี ได้พระราชทานทรัพย์เป็นอันมากแก่นักประพันธ์เหล่านั้นพวกนั้นก็กลับนำความมากราบทูลพระเจ้าจุลนีพรมทัต